สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแสงธรรมสว่างใจรายการที่จะนําเสนอเนื้อหาสาระธรรมะ ด, ดีจากพระวิทยากรชื่อดังให้หัวใจสว่างสวัยไปด้วยแสงแห่งธรรมวันนี้ตุ๊กตาศิลัญชายารับหน้าที่ในการดําเนินรายการค่ะสําหรับวันนี้เนื้อหาสาระธรรมะจะเป็นเรื่องใดและจากพระวิทยากรรูปไหนไปติดตามชมได้ในรายการค่ะ ตั้งใจก็หมายความว่าจิตของเราต้องเข้ามาอยู่กับตัวเราแล้วต้องเริ่มสํารวนละตอนนี้มีอะไรค้างคาอยู่ในจิตใจของเราบ้างมันมีเรื่องเราอะไรที่มันติดอยู่ในใจเราเหมือนกับมผ้าเราเนี่ยเวลามันมีของสกปรกมาติดเราก็ต้องซักออกล้างออก ถ้าเราจรึงจะสะอาด จ, จิตเราก็เหมือนกันตอนนี้มีไหมสิ่งที่มันทำให้จิตเราเศร้าหมองขมมุ่นมัวว้าวุ่นวุ่นวายเนี่ยมันมีไหมก็เหมือนกับมีอะไรที่มันมาค้างอยู่ในจิตเราเหมือนมีสิ่งมาปนเปื้อนเหมือนแค่มาปนเปื้อนเฉยๆนะไม่ใช่จิตนะ พวกอารมณ์ที่มันมาปนเปื้อนนมันไม่ใช่จิตสมมติว่ไปกระทบอารมณ์ปักอย่างนี้มันก็อารมณ์นั้นอ่ะมันก็เข้ามาอยู่ในจิตรเราเพราะมันอยู่ในจิตรเราเรายังไม่ได้ล้างออกอเหมือนผ้าสกรปรกอ่ะเรายังไม่ได้ซักยังไม่ได้ล้างอ่ะความสกรปรกมันก็ติดอยู่ย่างนั้นอ่ะมันก็ทําให้ผ้าเราเศร้าห ทีนี้จิตของเราถ้ามันมีอารมณ์เนี่ยค้างอยู่ในจิตถ้าเราไม่ล้างออกจิตเรามันก็เศร้าหมองมองก็ถูกปนเปือ้อนเพราะนั้นตอนนี้สำรวจดูเลยมีไหมอารมณ์ที่มันค้างอยู่ในจิตเราแล้วผู้เจ้าก็ตรัสเอาไว้ด้วยดูก่อนทิกสุ่ทางหลาย ของคนเราเนี่ยประพัดสอนอยู่แล้วห่องใสยอยู่แล้วสงบเยือกเย็นอยู่แล้วมีแสงสว่างอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าอุปกเล์ซึ่งเป็นอาคารตุ ก, กัดจอนเข้ามาแล้วก็มาทำให้จิตเราเศร้าหมองสิ่งที่ทำให้จิตเราเศร้าหมองเป็นอาคัรตุกะเป็นเหมือนแคร ไม่ใช่จิตนะบางทีเราเป็นหลงอารมณ์ว่าเป็นจิตความไม่สบายใจอย่างนี้เป็นแค่อารมณ์นนะ<ม>ความโกรธความน้อยเนื้อต่ำใจความเศร้าโศกเสียใจความไม่สบายใจพวกนี้เป็นอารมณ์หมดเลยนี่แหละสิ่งที่มาปนเปื้อนอยู่ในจิตเราแล้วพระเจ้าก็ย้ำแล้ว บอกว่ายสิ่งนั้นน่ะมันไม่ใช่จิตเนี่ยมันเป็นแค่อาคัรตุกะอาคัรตุกะคือแขกจรเข้ามาเฉยๆเราก็ต้องมาทำความเข้าใจเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนจิตเราอย่าให้จิตเราไปหลงอารมณ์ไปยึดแขกเหมือนไปเอาแขกมาเป็นเราเป็นเจ้าของบ้าน เหมือนกับว่าเราเนี่ยนะออกไปธุระไปซื้อของไปทำธุระที่นั่นที่นี่ทีนี้พอถึงเวลาละธุระเราเสร็จแล้วเราก็กลับมาบ้านถ้ามีแขกมาด้วยเราก็ต้องมีพาระต้องดูแลเขา ต, ต้องต้องต้อนรับเขาสู้ทีนี้พอมันถึงเวลาแล้วเราจะเข้านอนแล้ว แขกก็ต้องกลับไปสิมันหมดเวลาแล้วนี่เราจะต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วยิ่งเราจะนอนอย่างนี้เราต้องปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยเลยสารวจดูว่าจะมีแขกหรือมีผู้ที่ไม่หวังดีอ่ะก็เป็นแขกชนิดหนึ่งว่ามันจะเข้ามาเอาของเราไหมมีไหมตรวจสอบดูมันปลอดภัยแล้วเราถึงจะหลับนอนได้คราวนี้จิตของเราอ่ะมันก็มีมันเวลาทาการทางานเนี่ยจิตมันก็ต้อง ทำงานไปนเวลาทำงานต้องมีสมาธินะเอาใจใส่จิตจดจ่ออยู่การงานนี่ถึงจะเป็นการปฏิบัติธําได้มีสติควบคุมจิตรักษาจิตเอาไว้ด้วยให้มันเป็นกลางกลางแล้วก็ทำงานไปถ้าทำอย่างนี้นะจิตจะเป็นสมาธิทำงานแล้วไม่เหนื่อยถ้าทำงานเหนื่อยเนี่ยหมายว่าอารมณ์ที่มันอยู่ข้างนอกอ่ะมันรุมเร้าเข้ามา เข้ามาแล้วก็เลยมันก็ทําให้จิตเราอ่อนแอลงไปเราก็คอยไปตามอารมณ์เดี๋ยวอารมณ์นั่นก็ดึงไปเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ดึงไปเรื่องนี้ก็ไม่ถูกใจก็โกรธขึ้นมาโกรธขึ้นมาก็เสียพลังไปตั้งเยอะแล้วนะอะเรื่องนี้เสียใจ เ, ยเสียใจกับใจก็อ่อนล้าลงไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยสูญเสียพลังไปกับการที่จิตของเราเนี่ยไปหลงแฉะ ไปเอาเอาใจแขกไปต้อนรับแขกต้อนรับแขกในทีนี้ก็คือไปหลงว่าอารมณ์เป็นจิตหลงว่าความโกรธเป็นเราความน้อยเนื้อต่ําใจเป็นเราความเสียใจเป็นเราความโศกเศร้าเป็นเราจริงๆพวกนี้เป็นแค่อารมณ์นี่พระเจ้าพูดไว้ชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราลองลองลองตรวจสอบดูก็ได้เนี่ยขณะที่ฟังอยู่เนี่ย เรามีแขกไหมถ้าไม่มีแขกเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันสบายๆอะ่ะเหมือนเราเป็นอิสระเหมือนเราอยู่ในบ้านเนี่ยพอไม่มีใครหลบซ่อนอยู่ในบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกปลอดภัยแล้วเป็นตัวของตัวเองแล้วถ้าจะหลับนอนก็หลับนอนด้วยความสบายใจแต่ถ้าหาว่ามีมีสิ่งที่ ที่ปกติหน้าสงสัยเหมือนกับจะมีใครมาหลบมาซ่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่สบายใจรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนี่แหละจิตเรานี่แหละสําคัญที่สุดเลยแต่บางทีเราเป็นไปลืมก็มีนะบางทีเป็นหลงอย่างอื่นสําคัญนหะเห็นว่าอย่างอื่นสําคัญกว่าจิตอะอยางเชวันเรานี่นะทุกคนรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องการความสุข เวลาเราไปหาเงินหาทองมีการมีงานทำการทำงานเนี่ยเพื่อให้ได้เงิน <c oughs> เพื่อเอามาแสวงหาสิ่งที่เราต้องการแต่จริงๆแล้วที่เราได้สิ่งที่เราต้องการก็คือเพื่อให้เรามีความสุขสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือเพื่อให้จิตเรามีความสุขแต่บางทีพอเราไปแสวงหาสิ่งทั้งหลายในโลกเนเพื่อให้ตัวเองมีความสุข บางทีไปหลงไปหลงให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าความสุขภายในจิตหลงง่ายๆเลยนะคือไปยึดไปติดข้องสิ่งเหล่านั้นมากจนเกินไปจนลืมว่าความต้องการที่แท้จริงคือความสุขบางทีไอ้สิ่งที่เราได้มาทาให้เราเป็นทุกข์ก็ได้ด้วยขณะที่เรากำลังแสวงหาเนี่ยทุกแย่ๆมากมายก็ได้ด้วย ทั้งทั้งที่เป็นทุกข์ก็ยังไปทำก็มีด้วยนี่มันเป็นอย่างนี้มันก็เลยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่มีความสุขที่แท้จริงได้เพราะนั้นต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของเราเรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ครองเรือนยังต้องทำมาหากินสิ่งไหนจำเป็นเราก็ต้องแสวงหามันต้องมีการทำการทำงานประกอบอาชีพไป แต่อันหนึ่งทาด้วยความรู้ความเข้าใจอีกอันหนึ่งทาด้วยความไม่เข้าใจอันหนึ่งทาด้วยความหลงความหลงก็คือความโง่นั่นเองอีกอันหนึ่งทาด้วยความฉลาดทำด้วยสติปัญญามันจะมีผลต่อจิตใจเราต่างกันเราต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่าที่ชีวิตความต้องการที่แท้จริงของชีวิตเราคือความสุข ที่เราแสวงหาสิ่งต่างๆมาเพื่อทําให้เรามีความสุขแต่ถ้าอันไหนเราทําแล้วมันเดือดร้อนใจทีหลังเขานี้เราต้องดูสมควรทาหรือเปล่าทาแล้วเดือดร้อนใจทีหลังสมควรทำไหมเพราะมันทําให้เราไม่มีสุขเพราะที่รักที่จริงเราต้องการแบบความสุขแต่บางทีความหลงของเราอะ่ะมันไปเห็นว่าอย่างอื่น มีความสําคัญมากกว่าความสุขในชีวิตของตัวเองคิดว่าจริงไหมที่ว่าจริงไหมมีจริงอยู่ใช่ัหยพูดไม่ผิดนะ <c oughs> <c oughs> ใครดังสมิทาฟงฟังก็ฟังไปไม่เป็นไรนะ <c oughs> <c oughs> แล้วความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนด้วยต้องรู้เลยนะ ที่เราสแสวงหาความสุขนั้นสุดจริงไหมเอาเราลองลองลอ ง, ลองพอพุธเยียวนี้แบ่งความสุขไว้ยังไงวันนี้พูดเรื่องความสุกกันแล้วกันเนาะมันจะได้รู้สึกสบายขึ้นมาเนาะแล้วเราจะได้หาความสุขให้มันมีสุขจริงๆกันบ้างนะอันแรกเลยนะความสุขพื้นฐานเลยเนี่ยคือทุกคนเนี่ยต้องสแสวงหาสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ มาเพื่อทำให้เรามีความสุขมีผูต้ตรงกว้างเลยนะคือต้องการวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยสิ่งต่างๆเอามาเพื่อบริโภคบางอย่างก็จำเป็นจริงๆแต่บางอย่างก็อาจจะเป็นส่วนเกินไปก็ได้แต่ด้วยความหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เรามีความสุขเราก็เลยต้องสแสวงหา ที่แรกนสแสวงหาเพื่อให้มันมาทำให้ชีวิตเรามีความสุขแต่ทําสแสวงหาไปมากลับไปติดข้องในวัตถุในสิ่งที่เราสแสวงหานั้นเลยลืมเลยว่าเราจะสแสวงหามาทำให้เรามีความสุขบางทีกลับเป็นทุกข์กบทนเอาดิ้นรนเพราะว่ามันหลงหลงทางอันนี้มีความสำคัญอันนี้พระเจ้าเรียกว่าการมาสุ ความสุขที่พึ่งวัตถุได้วัตถุเครื่องใช้ไม้สอยสิ่งต่างๆแล้วเอามาบริโภคใช้สอยทำให้เรามีความสุขแต่ว่าถ้าเป็นภาษาธรรมะก็เรียกเอามาเสพคือมันกว้างกว่าถ้าเอามาใช้มาสอยนี่มันยังแคบถ้าเอามาเสพนี่บางทีไม่ได้ใช้ได้สอยหรอกแค่ทำให้เรามีความสุขนิดๆหน่อยๆเนี่ยพวกนี้ถือว่ากามาสุขหมดเลย อันนี้พระเจ้าบอกว่ามีสุขเหมือนกันแต่ว่าสุขน้อยแต่โทษมากโทษคืออะไรเพราะว่าเวลาเราได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วเนี่ยเราอยากให้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ตลอดไปอยากให้มันเที่ยงไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงแลวเราหวังว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเอาง่ายๆเนี้ยเอาเรื่องคนเนี่ยเวลาคนเข้ามาคบค้ากับเรานะ เขามาพูดดีด้วยอมาให้ความสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเราก็หวังว่าจะดีตลอดไปหวังว่าสิ่งนี้จะทําให้เราสุขตลอดไปตอนแรกก็เหมือนจะสุขนะแต่พอนานๆเข้าไอ้สิ่งนั้นกลับมาทําให้เราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นการมาสุขเนี่ยที่เอ้าจิงบอกว่าสุขน้อยทุกข์มาก ประโยชน์น้อยโทษมากเพราะนี่แหละมันทำให้เราติดข้องแล้วมันมาทำให้เราเป็นทุกข์แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันเองมันไม่เที่ยงไม่มั่นคงลแล้วอีกอย่างหนึ่งไอ้ความอยากความต้องการของเราเนี่มันก็ไม่มีขอบเขตเลยได้สิ่งเกา่าได้สิ่งนี้มาล้วคิดว่ามันจะพอแล้วมีความสุขใน่น่แค่นี้พอเลย แต่แล้วมันก็ดิ้นหล่นไปหาสิ่งใหม่บางสีสิ่งที่ได้มานั่นแหละแต่แม้มันเหมือนไม่เต็มอิ่มอ่ะมีไหมมันรู้สึกอื้อทำมันกว่านี้หน่อยกว่านี้หน่อยอ่ะเออมันจะดีมันจะอ่ามันจะพอดีนี่มันยังไม่สมอยากอ่ะมันยังไม่เต็มกับความอยากนี่คือมีความบกพร่องอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันทําให้เราเป็นทุกข์อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมาศึกษาเรื่องจิตของเราทีนี้ สุขที่สูงกว่านั้นน่ะสุขที่สูงกว่านั้นมีสมัยสมัยก่อนก่อนก็มีนะก่อนพระเจาอุบัติขึ้นมาพวกนี้พอเห็นว่าโลกนี่มันโอ้โหมันมันมีความทุกข์อยู่ตลอดเลย mm hmm. พวกนี้ก็ไปแสวงหาความสุขทางจิตใจเ mm hmm. ือเอาจิตเอาสติมารักษาจิตไว้ไม่ให้จิตเนี่ยวิ่งทะเลทรายออกไปหามากเอาพอมีชีวิตอยู่ได้แล้วก็มาทําจิตของตัวเองเนี่ย ให้อยู่กับตัวเองให้มันกลับเข้ามาอยู่กับตัวเราได้มันหยุดดิ้นรนอ่ะเอาพอสมควรแล้วก็มารักษาจิตให้มันหยุดดิ้นรนพอจิตอยู่กับตัวได้มีสมาธิขึ้นมาในสมาธิมันจะมีความสุขมีความสงบมีความสบายอันนี้เป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งกามละไม่ต้องพึ่งวัตถุ สามารถสุขโดยอาศัยสมาธิจิตคือจิตเป็นสมาธิเข้ามาสุขสงบอยู่กับตัวเองตามลำพังอันนี้พูเจ้าเรียกว่าเนคขัมมสุขสุขไม่ต้องพึ่งอาศัยวัตถุไม่ต้องพึ่งกา ม, มาคุณอารมณ์ทั้งหลายไม่ต้องเสพสวยอะไรก็ได้ แต่ว่าให้จิตของเราเนี่ยมีความสงบมีความสุขความสบายรวมทั้งจิตพอมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วรู้ความจริงรู้ความจริงมีจิตจะค่อยปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไม่คอยยึดอะไรแล้วมันเห็นอนะมันเห็นในสมาธิอะ เวลาเราปฏิบัติแล้วนี่มันจะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นและก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปจิตก็คลายออกคลายออกสุดท้ายจิตตัดสินเลยว่าถ้ามาได้ต้องไปได้ได้มาแล้วต้องเสียไปเกิดขึ้นและก็ดับไปบังคับพวกคุมไม่ได้ถ้าหาว่าจิตมันเชื่อเด็ดขาดลงไปสรุปเต็มที่ลงไป นี่แหละบรรลุพระสดาบันแล้วบรรลุมรรคผลขึ้นมาพวกนี้จัดอยู่ในขั้นเนคคัมมา ส, สุขโดยไม่ต้องพึ่งวัตถุแต่สุดท้ายกิจตัดสินเด็ดขาดลงไปเลยนะแม้ชีวิตของเรานี้สุดท้ายมันก็คือระบบของธรรมชาติอันหนึ่งทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายนามไม่ได้มีอะไรเป็นเราที่แท้จริง สมมุติว่าเป็นเราเฉยๆแล้วเป็นเราชั่วข่าวด้วยอย่างทุกคนนั่งเลยนเนี่ยสุดท้ายร่างกายเนี่ยต้องแตกลับสลายไปแน่นอนร่างกายนี้ก็เป็นของเราชั่วข่าวแค่อาศัยชั่วข่าวเฉยๆถ้ารู้ชัดแจ้งจริงๆแล้วเนี่ยจิตไม่ยึดร่างกายอยีกต่อไปแล้วเบาลงไปแล้วก็ไปเห็นจิตด้วยนี่ปัญญาของเจ้าเข้าไปถึงจริงๆนะเห็นจริงๆเลย ระบบของลูกคือกายนี้ระบบของนามคือจิตใจทั้งหมดสุดท้ายเข้าไปถึงจุดหนึ่งเป็นธรรมชาติหมดเลยแล้วถ้าเขาเห็นจริงตามนี้ใครก็ตามเข้าไปเห็นตรงนี้แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะมายึดขันห่าว่าเป็นตัวเราทิ้งหมดเลยวางหมดเลยแต่ฆ่าตัวตายไหมมันยังไม่ฆ่าตัวตายหรอกเพราะเขารู้แล้วเนี่ยก็ปล่อยมันอยู่ตามธรรมชาติ สมมติว่าเป็นเราต่อไปเรียกว่าเราต่อไปได้แต่มันรู้แล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะทุกไหมมีคนตายทุกไหมแล้วเราอยากมีทุกไหมไม่อยากมีทุกต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้มีทางของพระเจ้านี่ไม่มีทุกจริงทุกดับจริงเพราะนั้นถ้าใครไม่อยากมีทุกมีทางเดียวคือปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าปฏิบัติตามความเห็นของเราปฏิบัติตามความเห็นของคนอื่นโลกเรามีทุกไหมมีทุกตลอดมาจริงไหมมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวสามารถประกาศได้อย่างอย่างเต็มที่เต็มจิตเต็มใจไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดเลยว่าทุกสามารถดับไปจากจิตใจเราได้เชื่อไหม ถ้าเชื่อควรปฏิบัติตามไหมแล้วขี้เกียจไหมแม่มีแต่รอยยิ้มเ <laughs> <laughs> ชื่อก็เชื่อเชื่ออยู่เนาะ <laughs> ก็อยากปฏิบัติมอยู่แต่าตามว่าขี้เกียจไหมไม่อยากตอบเลยมีแต่รอยยิ้ม <laughs> แทนคำตอบ <laughs> <laughs> นี่นะพอพูดถึงธรรมของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันเป็นความจริงเป็นของจริง มันพูดเล่นไม่ได้เลยนะเพราะอันนี้มันคือความจริงแล้วคนที่จะปฏิบัติตามพระเจ้าก็ จ, จริงด้วยต้องจริงจริงนั่นคือความซื่อสัตย์ต่อตนเองต้องมีวินัยในตัวเองขึ้นมาน่ะมันต้องมีหลายอย่างระบบระ บ, บบของการดำเนินชีวิตเนี่ยถ้าต้องการให้ชีวิตดีขึ้นมาต้องมีวินัยในตัวเองเพราะนั้นธรรมะของเจ้าจึงมีทั้งธรรม แล้วก็มีวินยัยพอพระองค์ปรินิพานไปแล้วพระองค์ก็ตัดเลยทำวินัยที่เราตถาคตตัดไว้ดีแล้วเป็นศาสดาแทนเราตถาปเพราะนั้นใครจะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าต้องมีวินัยในตัวเองต้องเข้มแข็งบางทีก็อยากได้อยู่ความสุขอยากได้ความสบายไม่อยากมีทุกข์แต่เวลาปฏิบัติขี้เกียจ ทำมีไม้หน้าสาบนะเอาไมทไมทาเอาแล้วขี้เกียจมันขี้เกียจพวกเลยนะมันจะได้เก็ดลาบนะสรุปแล้วก็คือต้องฝึกจิตตัวเองนง่แหลนะถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้น ก็ต้องมาุึตัวเองแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือจิตนี่แหละถ้าเราอยากแก้ไขอะไรก็ตามต้องแก้ไขที่จิตก่อนแก้ไขความคิดความเห็นซะก่อนถ้าจิตยอมรับที่จะแก้ไขตัวเองแล้วสิ่งอื่นจะตามมาถ้าจิตมันยังไม่ยอมรับมันจะไม่ยอมแก้ไข สร้างระบบกฎเกณฑ์ภายนอกมาบังคับแต่พอไม่มีกฎเกณฑ์ข้างนอกไม่เอาแล้วแต่ถ้าจิตมันยอมรับขึ้นมามันยอมขึ้นมามันจะเอาเพราะฉะนั้นเราจึงมาพูดให้เห็นประโยชน์ของการที่จะเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วเราจะมีที่พึ่งทางจิตใจ จิตใจของเรานี้เมื่อใครปฏิบัติถูกทางถูกต้องความทุกข์จะต้องน้อยลงไปถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องแทนที่ความทุกข์จะน้อยลงไปความทุกข์เพิ่มขึ้นถ้าใครปฏิบัติรมแล้วความทุกข์เพิ่มขึ้นไม่ถูกทางแล้วต้องสํารวจดูแล้วว่าต้องผิดมีอะไรที่ผิดทางแน่ๆเลยทําไมมันจึงมีความทุกข์เพิ่มขึ้น ทำไมปัญหามันจึงเพิ่มขึ้นรวมทั้งการดำเนินชีวิตของเราด้วยถ้าเราดำเนินชีวิตถูกต้องความสุขก็ต้องมากขึ้นเพราะเราต้องการความสุขถ้าดำเนินชีวิตไปแล้วความทุกข์มันมากขึ้นแสดงว่าการดำเนินชีวิตของเราผิดพลาดแล้วผิดพลาดจากไหนจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระเจ้านี่ ตัดสรุประบบของการดำเนินชีวิตเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยไม่มีทุกข์คือคำว่าสุขจริงๆอ่ะมันไม่มีอ่ะสุขนี่หมายก็ว่าถ้าในทางโลกของเราก็คือว่ามันทุกข์น้อยหน่อยอ่ะหมายว่ามันพอทนมันทนได้ง่า ย, เ, ยเรียกว่าสุขแต่จริงๆแล้วนั้นคือทุกข์น้อยมีทุกข์มากทุกข์น้อยลงไป สุดท้ายไม่มีทุกตรงที่ไม่มีทุกนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเรียกว่าบรมสุขเราเคยไหมล่ะไม่มีทุกเลยเคยไหมสบายไม่ต้องมีทุกอะไรอออ่ะเแต่แต่พอบอกว่าไม่มีทุกอะไรอจิตใจไม่มีไม่ยึดไม่ติดไม่ค้องอะไร คนก็จะไปคิดว่าไม่เกี่ยวข้องการอะไรไม่ทําอะไรเลยจริงๆไม่ใช่แบบนั้นมันจะมีปัญญารอบครอบรอบรู้อยู่ในจิตอะไรควรทําเหมาะสมกับกับฐานะของตัวเองก็ทําไปถ้านั้นไม่ควรทําก็ไม่ต้องไปให้จิตของเราเนี่ยไปเดือดร้อนไปวุ่นวายก็คือปล่อยให้ทุกอย่างดําเนินไปตามธรรมชาติส่วนเรานี่มันก็มาดูฐานะของตัวเอง ทำไปตามความเหมาะสมของตัวเองสิ่งไหนที่มีประโยชน์สมควรทำก็ทำได้แต่ถ้าสิ่งไหนมันไม่มีประโยชน์เราก็ต้องไม่ไ ม, ไม่ทำก็ได้คนอื่นเขาทำก็เรื่องของเขาไปเราไม่ต้องแสเข้าไปก็ได้ไม่ต้องเสือกเข้าไปก็ได้เพราะเดี๋ยวมันมันจะย้อนสอนกลับมาเล่นงานเราไนดะ้เอานี่เสือ ก, กเยอะอยู่นะใช่ไหมบางทีจิตเรามันเสือกเองก็มีนะนี่เนี่ยมันหาเรื่องหาเรื่องทาให้ตัวเองเป็นทุกข์ง่าย นี่แหละมันจึงจำเป็นต้องฝึกจิตของตัวเองให้จิตใจนี่มีความเป็นอิสระเอาวันนี้วันนี้เนี่ยก็จะให้เข้ามาสำรวจ ด, ดูจิตเลยนะเราเอาความจริงกันเลยเอะเพราะว่านี่ก็ฟังมามากแล้วละ่ะดูหน้าก็เก่าๆ เ, เยอะเลยอ่ะเออแถมพอถามว่าขี้เกียจไหมนี่มีแต่ฮ <laughs> มีแต่รอยยิ้มนี่นี่บ่อยไม่ต้องพูดเลยก็ได้ <laughs> แค่ยิ้มนี่ก็รู้แล้ว <laughs> ยิ้มแบบสารภาพผิดเลยนะ <laughs> ไม่ใช่ยิ้มแบบอาถานนะแบบว่า <c oughs> ความขี้เกียดนี่ฉันสลับทิ้งไปนานแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะยิ้มนี่แบบสารภาพ <laughs> เอาต่อไปนิดนะให้สำํำรวมจิตใจเราเลยนะ เชื่อพระพุทธเจ้าขึ้นมาเลยเชื่อมั่นเลยว่าจิตของเรานี่พระพัฒสอนอยู่แล้วพองใสอยู่แล้วมันสงบอยู่แล้วมันราบเรียบอยู่แล้วก็เราก็ต้องทำจิตของเราให้สบายๆในเมื่อเราต้องการความสุขนี้เริ่มต้นเลยนะทำจิตให้สบายๆทำสบายๆซะก่อนให้รู้ว่าชีวิตของเรานี่ต้องการความสุขความสบาย เรามาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมก็เพื่อให้จิตเราสบายเราหวังว่าจะให้ธรรมะนั้นน่ะมันมาชำระล้างสิ่งที่มันเศร้าหมองมันขุ่นมัวมาชำระล้างสิ่งที่มันหนกักอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยให้มันเบาลงไปเนี่ยมาล้างสิ่งที่สกรปรกลบดุงลังในจิตของเราให้มันให้ธรรมะนี่มันมาล้างออกชำระออกไป เพราะนั้นเราก็มาปรับปรับทำสบายๆจิตของเรามันปรับได้ในเมื่อจิตมันเปลี่ยนแปลงได้เราก็มาเปลี่ยนแปลงในทางที่จะให้มันเกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเราเองทำให้มันสบายๆมันจะสบายนี่เราก็ต้องมองเข้าใจชีวิตด้วยว่าเออทุกอย่างละ่ะมันมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเฉย เ, เราไม่ไปยึดไปติดไปข้องมันเนี่ยทุกคนก็มาตามกรรมไปตามกรรมเรื่องของใครก็ อ, อ้ามันเป็นไปตามกรรมขออย่างเดียวว่าให้เราทําหน้าที่ของเราให้ถูกต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องถ้าหน้าที่ของเราถูกต้องแล้ว เราก็มารักษาจิตเราได้เนีย่ยรักษาจิตเราเอาไว้คนอื่นเขามีหน้าที่อย่างยังไงเขาก็ต้องทำไปตามหน้าที่ของเขาเมื่อทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วทีนี้มันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นมันมีความไม่ลงตัวบ้างก็ต้องยอมรับว่า น, นี่แหละธรรมชาติของการเรียนวบายตายเกิดมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของวัฏสงสารมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ มันเป็นระบบของการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อยังมีการเกิดมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้สิ่งที่สิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบจิตเรามันต้องมีเสมอไปเมื่อมันกระทบแล้วมันก็ต้องมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็จะเกิดความขัดขอ้องขึ้นมาในจิต เราบ้างเกิดความลงตัวบ้างไม่ลงตัวบ้างอยู่เรื่อยไปเราต้องมองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาทำง่ายๆทำให้มันสบายๆโอ้เป็นอย่างนี้เองนะเนีย่ยชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละเราจะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เ<ม>วลามีปัญหาขึ้นมาเราก็มองเห็นว่าโอ้ชีวิตเป็นอย่างนี้แหละอย่าปฏิเสธมัน่นบางทีเราก็อยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการอยากให้ได้ดังใจเราทั้งหมดเลยนะ มันก็เกิดความขัดแย้งเพราะความจริงมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกความจริงก็เป็นอย่างที่มันเป็นอยู่นั้นละแล้ขึ้นอยู่กับว่าเรายอมรับได้ไหมถ้าเรายอมรับได้มันก็ไม่เกินเกิดความขัดแย้งขึ้นในจิตเราถ้าเรายอมรับไม่ได้มันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นในจิตเพราะฉะนั้นเราก็ทำใจสบายๆขึ้นมาแล้วหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็มีหลัก ก็คือเราเนี่ยเพียรปฏิบัติเนี่ยกราามีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้จุดสำคัญคือให้มารักษาจิตเราไม่ให้หลงยินดียินร้ายกับอะไรถ้ามันยินดีก็รู้ว่ายินดียินร้ายก็รู้ว่ายินร้ายมีอะไรเกิดขึ้นต้องให้จิตเราเข้าใจเข้าใจมันก็ต้อง เข้าไปสังเกตเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นด้วยถ้าจิตเรามันเห็นได้มันก็จะวางเฉยกับอารมณ์ทั้งหลายได้แต่ถ้าหากว่าจิตของเราเนี่ยมันยังรู้สึกว่ามันยังขยับอยากจะออกไปคุ้นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่อันนี้แสดงว่าสติเราอ่อนนะต้องหันกลับมาจเจริญสติ อาจะบริกรรมก็ได้ดูลมก็ได้ดูพองน้อยยุกน้อได้นั่งน้อถูกน้อได้ดูตัวทั่วพร้อมอยู่ก็ได้นี่คือจิตต้องการกำลังของสติถ้าสติมีกำลังขึ้นมาสติมีหน้าที่ควบคุมจิตไว้สติมีหน้าที่ควบคุมจิตเอาไ แล้วก็หลักหลักเดิหลักเดิมหลักเดียวที่ผู้เจ้าให้ไว้คือพยายามที่จะให้จิตของเราเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะนั้นเราจะปฏิบัติที่ไหนก็ได้ให้มีหลักนี้แหละจะพยายามไม่ให้จิตไปยินดียินร้ายกับอะไรถ้ามันยินดีก็รู้ว่ายินดียินร้ายก็รู้ว่ายินร้ายนั่นก็คือไปดูจิตรู้ว่า จิตยินดีก็รู้ว่ายินดียินร้ายก็รู้ว่ายินร้ายถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ให้จิตไปรู้เพราะถ้ามันไม่รู้เดี๋ยวมันไปยินดียินร้ายเพราะนั้นมันต้องมีสติสติก็มารักษาจิตรักษาจิตแล้วก็มีหลักธรรมของพระพุทธเจ้ากากับเอาไว้ถ้าคำสอนของใครก็ตามต้องลงได้กับคำสอนของพุทธเจ้าเสมอ แล้วจะให้ดีนี่เราเอาหลักของพระเจ้าไว้เลยมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะนั่นคือปฏิบตัติแล้วขั้นต่อไปก็รู้วิธีรักษาจิตอะไรเกิดขึ้นก็าตามละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้หมายว่าไ ม, ไ, มไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติอยู่นี้เรามีหน้าที่รักษาจิตไว้ไม่ให้ยินดียินร้ายแต่จิตมันเร็วอ่ะถ้าเกิดไปยินดีล่ะ รู้ว่ายินดีถ้ามันยินร้ายละ่ะรู้ว่ายินร้ายบางทีนั่งไปดีๆเนี่ยคือในในธรรมชาติมันมีอะไรเยอะแยะเลยนะบางทีมันมีอะไรวู๊บแบบเข้ามาอย่างเงี้ยกระทันหันด้วยเข้ามากระทบร่างกายเราจิตเรามันก็รู้อยู่ที่นี่มันก็มีผลต่อจิตเราเพราะว่ามันบีบบีบร่างกายบ้างมันกระแทกร่างกายบ้างมันมีการกระทํา ต่อร่างกายของเรามันก็มากระทบจิตเราทีนี้จิตเรามันก็ไม่รู้ทีนี้มันก็หวั่นไหวหวั่นไหวก็เกิดความกลัวขึ้นมากังวลขึ้นมาปรุงแต่งไปกลัวเป็นนู่นกลัวเป็นนี่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ปฏิบัติแล้วชีวิตของเราเนี่ยโอ้โหมันมันเดินทางมายาวไกลมากเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับการเดินทางเนี่ยเรื่อหวั่นละหกระเหนินเดินทางในวัฏฏะสงสารเนี่ย ยาวนานมากมันสะสมกรรมเอาไว้มากมายเลยนะเพราะฉะเวลาเรามาปฏิบัติเนี่ยเรื่องราวต่างๆมันก็เยอะเพราะมันมีจังหวะกรรมมันให้ผลมันก็เกิดขึ้นมันก็มีการกระทบเราขึ้นมาแต่ถ้าจิตเราสติเราดีอ่ะเราจะเห็นพวกนี้อ๋อมันก็มาเป็นเครื่องมือฝึกจิตเรา ตั้งสติดีๆเกินแล้วก็เดี๋ยวก็ดับเนี่ยถ้าเห็นว่ามันเกิดดับเห็นว่ามันผ่านมาผ่านไปเฉยๆอย่างเงี้ยจิตเราจะมีกําลังเพิ่มขึ้นทันทีเลยนะเราจะได้ประโยชน์ทันทีเลยนะแต่ถ้าจิตเราหวั่นไหวเนี่ยเราจะช้าแล้วทีนี้เพราะเราเราไม่ได้เอาหลักของพุทธเจ้าหรือว่าหลักธรรมของพุทธเจ้ายังไม่เกิดประโยชน์แก่จิตใจของเราคือเราลืมไปลืมคําสอนของพุทธเจ้าว่า ต้องละความยินดีร้ายให้ได้เนี่ยสุดท้ายต้องละความยินดีร้ายในโลกนี้เสียให้ได้คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกายเราก็ตามหรือบางทีก็สัมผัสได้ทางจิตมีนู่นนี่นี่มาอา่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรม บางทีก็มีบางคนมีมากบางคนมีน้อยบางคนก็เหมือนกับเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาเริ่มปฏิบัติปับ๊บมันมีแสงขึ้นมาก่อนเนี่ยเขาเหมือนกับจิตเขาสัมผัสได้มีแสงขึ้นมาจากนั้นก็แสงก็เคลื่อนเข้ามาใจเขาก็เต้นแรงเต่นแรงแสงก็เข้ามาใกล้ทีนี้เขาก็รักษาจิตเอาไว้เขาก็บอกจิตเขาว่า ดูเฉยๆดูเฉยๆคล้ายๆกับเขาก็มั่นคงในธรรมะของพระเจ้านี่แหละไม่ตกไม่แต่งะคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายแทนที่เขาจะบอกว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายเขากว่าไม่ตกไม่แต่งก็คือพูดกับจิตตัวเองอ่ะไม่ให้จิตไปปรุงแต่งไม่ให้จิตไปนึกไปคิดอะไรเนี่ยนั่นคือเขาอบรมจิตอยู่ไอ้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นเหมือนกับไอ้สิ่งที่จะมาฝึกจิตเราพอมเคลื่อนเข้ามาแล้วเราไม่หวั่นไหวทีมันก็ถอยออกไปเองเนี่ยมันถอยออกไปเอง พอถอยออกไปเองแล้วเขาก็ยังมั่นคงอยู่เขาก็ยังสอนจิตเขาอยู่ดูเฉยๆดูเฉยๆคือมันยังไม่ได้จากไปไหนมันก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่จะมาฝึกจิตเรานั่นแหละมันก็เป็นระบบของการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรมาทดสอบบ้างมาทดสอบเพื่อให้เรารู้วิธีที่จะฝึกจิตของเราให้รู้จักปล่อยวางเพื่อให้จิตมันเข้มแข็งขึ้นทีนี้ ต่อมาไอแสงสว่างมก็เปลี่ยนใหม่เป็นใบหน้า เ, ออเหมือนกับใบหน้าคนตอนแรกเล็กๆเขา่าจากนั้นมันก็เคลื่อนเข้ามาเคลื่อนเข้ามาเคลื่อนเข้ามาพอมาถึงตัวเขาหน้ามันก็ใหญ่เหมือนจะทำให้ตกใจแต่ว่าเขาระวังตัวอยู่นี่ น, นีมันมีสติอยู่รู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยเขาก็เตือนจิตของเขาอ ย, อยู่อยู่อย่างเดิมว่าดูเฉยๆดูเฉยๆไม่ตกไม่แตกก็นั่งดูไปนั่งดูไป สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันก็จางไปพอจางไปรู้สึกว่าตั้งแต่วันนั้นมาจิตของเขาเข้มแข็งขึ้นมามากมันคงเลยนะเนี่ยเพราะมันเหมือนผ่านแบบทดสอบมีบางคนก็มันไม่ได้เป็นแบบนี้นั่งอยู่ดีๆก็มีอะไรมาเหมือนมีอะไรมาผักผักข้ามมัมไปข้างหน้าจับกระชากไปข้างหลังผักไปข้างหน้ากระชากมาข้างหลัง ควบคุมก็ไม่ได้ตอนแรกก็กลัวพอกลัวนี่เขายิ่งกระชากแรงยิ่งผากแรงแเขาก็มาหามาหามาเล่าให้ฟังบอกอันนี้แหละเครื่องมือฝึกจิตแล้วต้องจิตต้องไม่หวั่นไหวไม่ยินดีไม่ยินร้ายท่องเอาไว้เลยเตรียมเอาไว้เลยก่อนจะนั่งสมาธิให้เขาเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวไว้จะเรินสติดีๆเดินจงกรม แล้วก็ท่องเอาไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยินดีมีร้ายพอเริ่มเริ่มนั่งปั๊บเข้าไปมาเลยเริ่มผักอีกแล้วแต่คราวนี้มันจิตของเขามันคงที่นีเพราะจิตของเขาเหมือนไม่ยินดีไม่ยินร้ายผักก็ผักได้นิดหน่อยกระชากกระชากได้นิดหน่อยสักพักหนึ่งมันก็หายไปเหมือนกับเขาทำงานไม่ได้ผลละหรือเหมือนกับว่าไอ้ตรงที่จิต ของเราไม่หวั่นไหวไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่แหละมันสามารถแก้ปัญหาได้หมดเลยมันก็เวลาเราทําการทํางานเหมือนกันอะ่ะสัวเราฝึกอย่างนี้แล้วเวลามากระทบอารมณ์ข้างนอกอสัวเราทําการทํางานอะไรเราก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมเหมือนกันอะ่ะในสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องมากระทบเรากระทบก็มากระทบจิตเราถ้าหากว่าจิตของเราเนี่ยธรรมะมันมีน้อยอะ่ะ ไ, ไอ้ที่เราจะรักษาจิตนะเรารักษาจิต ไม่ค่อยได้ไอแรงกระทบมันก็จะรุนแรงแต่ถ้าว่าจิตข้างเราเข้มแข็งมีความมั่นคงกระทบแรงขนาดไหนมันก็ไม่หวั่นไหวมันถือเห็นเป็นเรื่องธรรมดาอ๋อชีวิตเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยมันกลับได้ประโยชน์นะที่นี่เพราะฉะนั้นมันสำคัญตรงจิตเราอ่ะว่าอ่อนแอรหรือว่าเข้มแข็ง ถ้าหาว่าเราเข้มแข็งเรารักษาจิตเราได้จิตเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่หวั่นไหวปรากฏการที่เกิดขึ้นก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันเกิดแล้วก็ดับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละเนี่ยแต่ถ้าเราอ่อนแอมื่อะไรมันไม่เป็นธรรมดาแล้วนะที่นี่โอ๊ยทําไมต้องเป็นเราทําไมไม่เป็นคนอื่นเนจโยนให้คนอื่นเลยนะที่ตัวเองก็ยังไม่อยากเอาอ่ะโอ้ยทําไมต้องเป็นเราเนี่ย ทำไมันก็เกิดกันเราเพราะความอ่อนแอแต่ถ้าเราเข้มแข็งอ๋อธรรมดาแล้วก็สามารถพอจะเข้าใจว่าอ๋อวิตาสงสารไปอย่างนี้แหละมันเป็นถ้าจะมองในแง่ของกรรมก็ใช่เนี่ยเป็นวิบากของกรรมเป็นผลของกรรมเราเคยทํามาเคยสร้างเหตุปัจจัยมาอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่สำคัญตรงปัจจุบันนี่รู้ด้วยถ้าปัจจุบันนี้เราฝึกจิตของเราประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้าจิตเราต้องเข้มแข็งขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็มาทำให้เรามีสติปัญญาทำให้จิตเราเนี่ยไม่เป็นทุกข์ง่ายง่ายมันไม่เป็นทุกข์ก็คือจิตเรามันเข้มแข็งเข้มแข็งได้ก็เพราะว่าเราเนี่ยมีหลักธรรมของพระพุทธเจา้า เป็นเครื่องยิดเหนียวเป็นหลักในการดําเนินชีวิตศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้วก็ามาปฏิบัติตามปฏิบัติตามแล้วก็จิตของเราก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นถ้าหาว่าจิตของเรามันเข้มแข็งขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วเนี่ยเวลาเราไปดําเนินชีวิตอ่ะปัญหาจะลดลงความทุกข์จะน้อยลงไปเอาวันนี้เขาก็นิมนต์ไปไปแสดงธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการนะ เราบอกว่าการศึกษาของเราที่ขาดเนี่ยก็คือการปลุกจิตนี่แหละมันก็เลยสอนให้คนไปทำมาหากินนะแต่ว่ามันไม่สามารถเยียรักษาจิตตัวเองได้ทำมาหากินไปแล้วความทุกข์มันก็ยังมีอยู่เพราะว่าไม่ได้สอนวิธีรับมือกับปัญหาทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเอง แต่ถ้าเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วดำเนินชีวิตไปทุกต้องน้อยลงไปถ้าหากว่าดำเนินชีวิตไปทุกมันมากขึ้นสแสดงว่าโง่มากหลงมากอ่ะไคือคือคือไม่เรียก ว, ว่าโง่เราเรียก ว, ว่าหลงมากไอหลงมากก็คือโง่มากอ่ะจริงไม้มอันเดียวกันนั่นแหละทีนี้เราก็เลยพูดพูดให้มันสะใจสักหน่อยเนี่ยมันโง่มากโง่มากมากด้วย เพราะนั้นใครทุกข์มากๆเสรย์ว่าโง่มากๆถ้าทุกข์น้อยก็แสดงโง่น้อยเอาของผู้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นต้องทํายังไงดําเนินชีวิตไปแล้วทุกข์น้อยลงไปก็ยังดีนะเอาให้ทุกข์มันน้อยลงไปแสดงว่ญญาคนนั้นน่ะฉลาดในการดําเนินชีวิตแล้วยิ่งใครสามารถ ดำเนินชีวิตไปเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเป็นเครื่องมือฝึกจิตใจได้โ อ, อย่างนี้อย่างนี้ตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเลยนะอย่างนี้ถ้าบอกว่าเออข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันนี้พอจะพอจะยอมรับได้นี่แสดงว่าพึ่งพระพุทธเจ้าจริงก็คือเอาคําสอนของพระองค์มาปฏิบัติทําให้ความทุกข์น้อยลงไป แต่แต่ว่าพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมันไม่รู้พึ่งยังไงนเนแสดงพึ่งกิเลสพึ่งกันหาพึ่งอุปาทานพึ่งความอยากของตัวเองมากพึ่งความโลภความโกรธความหลงมากมันก็เลยสร้างทุกข์ให้กับตัวเองเพราะเหตุแห่งทุกข์จริงๆก็คือพวกตันหานี่แหละพวกอุปาทานนี่แหละ เบื้องหลังคืออวิชชาหลงว่ามีตัวเราชนิดหนาแ น, น่นแล้วก็ทำเพื่อตัว ต, วตนนี้อย่างชนิดลืมหูลืมตาไม่ขึ้ น, เ, นเมื่อทำเพื่อตัวเองมากก็คือเห็นแก่ตัวมากอัตตามันสูงอ่ะปัญหามันก็มากแต่จริงๆแล้วตายไหมก็ตายอยู่ดีอ่ะเนี่ย ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรมันมากมายเดี๋ยวก็ตายแล้ว <c ười> คือคือมันต้องมีเบรกบ้างใช่ไหยละ่ะเออเวลาเราเราเราเดือดร้อนอะไรมากๆอะ่ะถ้ามันมีเบรกอย่างเงี้ยมันจะเบาลงนะอันนี้มันไม่ยอมเบรกนะสิไม่อยากคิดด้วยลืมไปเลยว่าเราต้องตายเอาถ้าใครสามารถยับยั้งได้นะมันทุกข์ขึ้นมาเฮ้เดี๋ยวก็ตายแล้วเราก็ตายเขาก็ตายอะ่ะตายแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรอะ่ะ ที่จะเอามาบํำรุงบาเรอปลนเปล่าก็ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้อะไรเอาบอลขนาดไหนตายแล้วเอาไปไม่ได้มีทรัพย์สมบัติมากมายขนาดไหนดีขนาดไหนตายแล้วเอาไปไม่ได้มันก็เบาลงนะเนี่ยแต่ไม่ใช่เอาไปทิ้งนะเออไม่ใช่ว่าเฮ้ยตายเอาไปไม่ได้จะเอาไปทิ้งแต่ถ้าจะทิ้งจริงๆก็ให้นึกถึง มีหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่ที่ท่านไม่กลัวผมนี้นะเอาไปทิ้งกับท่านได้ไม่บอกว่าองค์นั้นคือใครนะไอ่ที่เราเองพอที่จะรองรับได้อยู่คือไม่ได้เอาไปทิ้งแต่ว่าเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นนายเรา เราจะต้องใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เราไปเป็นทาสสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมาใช้เราความหมายคืออย่างนี้เราไม่ยึดไม่ติดไม่ข้องแต่ว่าถ้าจิตของเราเนี่ยมันเข้าใจแล้วเราจะใช้สอยสิ่งที่มีอยู่ในโลกให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดเลยชีวิตก็อยู่สุขสบายขึ้นขณะเดียวกันต้องหาทางพัฒนาจิตของตัวเอง ให้มีความทุกข์น้อยลงไปให้ได้จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาฟังธรรมในวันนี้จึงชื่นชมนะว่าเออนะถึงพระพุทธเจ้าปฏินิพพานไปนานแล้วก็ตามนะยังมีสาวกของพระพุทธเจ้าสนใจฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ต้องภูมิใจด้วยนะไม่อย่กจะไปห่อเหี่ยวอย่างเดียวเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ออหลงเดี๋ยวก็โง่ แม้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็ยังมีส่วนดีอยู่ถึงจะละหกละเหินขนาดไหนเราก็ยังมีโอกาสได้ฟังธรรมของพระเจยาโดยเฉพาะเราเนี่ยที่มีความศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยมาฟังธรรมขนาดนี้ได้เนี่ยมันต้องมีบุญเก่าใช่ไหมล่ะต้องมีบุญเก่ า, าบูเบบุบเบกะตปุญญาตาเอตัมมังคามุตััง บุญเก่าอันบุคคลได้กระทาแล้วเป็นมงคลสูงสุดนี่เราก็มีมงคลแล้วนั่นเนี่ยทุกคนที่มานี่ต้องเคยสั่งสมบุญสั่งสมบา ร, รมีมาแล้วเคยศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พอใจที่จะปฏิบัติตามแต่ว่าทีนี้ก็เหลืออย่างเดียวคือความเพียร คนที่จะปฏิบัติตามพระเจ้าเนี่ยมันจะมีสามอย่างหนึ่งความเพียรแต่ความเพียรนี้อันดับหนึ่งเลยสองปัญญาปัญญาคิดให้ตัวเองไม่มีทุกข์อ่ะอย่างคิดเรื่องความตายหรือว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือพูดคิดในแง่มุมของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาคือหลักเดียวกันนั่นแหละแต่อันนี้มาพูดเป็นภาษาทัท่วๆไปเฉยๆอ่ะ คิดในแง่มูมเอ้ยเดี๋ยวก็จจกกันแล้วไปยึดอะไรนักหนา เ, นเราบังคับมันไม่ได้หรอกในโลกเรานี้จะให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปอร์เฟกต์เขา้าใจไหมคนเรามันจะมีธรรมชาติอันนี้อยู่ลูกเราก็อยากให้โอ้โหสมบูรณ์แบบเลยนะ เอามาตรฐานของเราไปยัดใส่นะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ใช่ไหมนี่คืออยากให้ลูกเนี่ยเขาเพอร์เฟกตให้ได้ใจตัวเองทีนี้มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราต้องการมันก็เกิดความขัดแยง้งเกิดกว่าแยางก็เป็นทุกข์โมโหโกรธบางทีก็ดุด่าลูกตีลูกอะไรเ ง, งี้ยหูดิ่ดลาคาญก็สร้างความรุ่มร้อนในครอบครัวได้ เพราะฉะนั้นต้องยอมรับมันไม่มีทางหรอกที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ได้ดังใจเราทุกอย่างเลิกเสียเถอะความคิดอย่างนี้หมายว่าให้เรายอมรับให้ได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้โลกเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เราต้องการทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่ใจเราเองโอ้ใจเราเองนี่ก็แหมมันไม่ได้ธรรมดาเลยนะบางทีบังคับไม่มันก็ไม่ได้ห้ามมันก็ไม่ได้บางทีเราว่าตั้งใจว่าจะภาวนานะมันชวนเราไปนูน่นไปไหนไปไหนเดี๋ยวดูไลน์ก่อนกดไลค์กดเซทกดอะไรว่าไปแชร์เ <c oughs> ชิญว่า ไ, Facebook, Facebook. ไปเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอือง่าไปดูพวกนี้สะก่อน หรือมันก็ทีวีก่อนภาวนาไว้ก่อนเสร็จจากนี้ค่อยไปดูไปเรื่อยเลยทีนี่แล้วมันก็ต่อรองด้วยนะเดี๋ยวก่อนหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียดูไปก่อนดูไปก่อนอ่ดูไปก่อนดูไปก่อนอ น, อ น, นี่ดึกเข้าดึกเข้าโอ้โหมันมึนหัวจะแย่เยอะมันอยากหลับยังอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทําร้ายตัวเองเพราะอะไรเนี่ยนี่แหละเพราะว่าเราบังคับตัวเองไม่ได้ มันจึงต้องเข้มแข็งเพราะนั้นถ้าใครจะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องสร้างวินัยขึ้นมาต้องมีความเข้มแข็งซะก่อนส่วนใหญ่บังคับตัวเองไม่ค่อยได้คนไทยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งบังคับตัวเองไม่ค่อยได้ชอบตามใจตัวเองตามใจตัวเองนั่นแหละคือตามใจกิเลสตามใจความอยากเลยทาให้อ่อนแอ คนที่อ่อนแอความทุกข์มันเข้ามาง่ายใช่ไหมละ่ะความทุกข์ปั๊บเข้ามานี่อ่อนแอรับมือไม่ได้แต่ถ้าเข้มแข็งลองทำตัวให้เข้มแข็งเลยตื่นขึ้นมาจะทำอะไรแล้วพยายามทำให้มีวินัยในตัวเองอารมณ์พวกนี้จะค่อยๆหายไปอย่างรวดเร็วไม่เชื่อลองดูก็ได้ไม่เชื่อใช่ไหมใช่ไหมถ้างั้นไปลอง <laughs> ถ้าให้ไปลอง ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแสงธรรมสว่างใจแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาดีๆกันไปแล้วหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านก็จะได้นำเอาข้อคิดดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันท้ายที่สุดนี้นะคะ แสงธรรมก็จะนำความสว่างมาสู่ชีวิตของทุกท่านที่มีศรัทธาค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของรายการแสงธรรมสว่างใจแล้วคุณผู้ชมสามารถติชมหรือแนะนำรายการเข้ามาได้ทางช่องทา ง, งที่ปรากฏอยู่ทางหน้าจอในขนาดนี้นะคะวันนี้ตุ๊กตาศิลัญชยาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ